จบเสียงงานพระรัตนไตรพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเรียบเรียงโดยอาจารย์พรรัตนสุวรรณอ่านโดยอริยคุณขออนุโมทนาทุกท่านที่ร่วมฟังธรรมเป็นประจำและทุกการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับเผยแพร่ต่อได้ทุกช่องทางไม่ต้องขออนุญาตแต่เพื่อธรรมทานแจกฟรีเท่านั้นสนใจร่วมเป็นเจ้าภาพจัดทำเรื่องต่อไป ดูรายละเอียดได้ที่เฟซบ o ๊กแฟนเพจโจโชเสียงธรรมโจโฉ net นะครับขอทุกท่านร่วมอนุโมทนาผู้ร่วมจัดทาเพิ่มเติมอีกดังนี้ปัญญาโกจันกณยาดาพุ่มพวงตาเสียงแซตั้งเพ็ญ น, นภาขันผงปทิตตาเชื้อทองครอบครัวอารีหนูพยุงและเพลินพิษม่วงงามสุรีพรสูนคลายอัญชยาตติยวัฒนสิริยาวมานขจรเกียรติคุณ สมพรคำมุงคุณพุทธดีศรีสวัสดิ์ร่วมกับอีกหลายท่านดูได้จะเครดิตท้ายเรื่องชีวิตคนคนหนึ่งเปลี่ยนไปได้ด้วยธรรมะจะสะท้อนกลับมาเป็นแรงส่งให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไปทุกๆด้านอย่างเป็นธรรมเช่นกันขออนุโมทนาทุกท่านที่เห็นความสำคัญในการทำงานของชมรมคนดีแล้วร่วมสนับสนุนทั้งทางตรงและทางอ้อมเรื่อยมาจนสามารถทำงานต่อมาได้ถึงทุกวันนี้นะครับ